พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21กรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าเรียนกฎระเบียบวินัยกับพระใหม่ ได้มาพูดเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยพระใหม่ควรจะได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์อย่างพระในครั้งพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาคือมีลูกชายคนเดียวพอลูกชายคนเดียวพ่อเขามาบวชแล้ว แต่กนที่จะมาบวชพ่อแม่ห้ามแล้วห้ามอีกพ่อแม่จะอยู่ยางไรถ้าหากว่าลูกไปบวชแล้วขอให้ลูกอยู่เถอะแต่ลูกชายนะโอ้แม่ผมอยากจะบวชจริงๆถ้าผมไม่ได้บวชผมคมงใจขาดตายถ้าผมไม่ได้บวชผมได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วผมมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะบวชจริงๆ พ่อแม่ก็ห้ามแล้วห้ามอีกผลนิสูรก็เลยห้ามไม่ฟังอยากจะบวชพ่อแม่ก็จําใจจําเป็นจําใจตามใจลูกแต่ด้ลูกชายก็ไปบวชพอไปบวชเสร็จแล้วก็เขาไปป่าดงพงไพรอะไรกันเข้าทุ ด, ดงเลยไปทุ ด, ดงในป่าเลยอยู่หลายปีแต่ในพ่อแม่สองตายายอยู่ทางบ้านนี่ก็ทากิจการไปงานไปผลนิสูรก็เลยอยากจนลง ก็ขาดการดูแลมีแต่สองตา ย, ยายทําได้บังเสียบังผลในสุดก็เลยกลับมาลูกชายกลับมาพ่อแม่ถึงกับขอทานอะไรแต่เนี่ยอย่างขอทานกินแต่ในลูกชายโอ้เราจะศึกเราก็ไม่ควรจะศึกพเพราะยังมุ่งมั่นกับการเป็นนักพจนักบวชของเราอยู่เราควรจะดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุด พ่อพ่อแม่เป็นผู้มีอุปกราระคุณพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดจนถึงบัดนี้แต่ถ้าหาว่าพ่อแม่ยากจนคราวนี้เกี่ยวกับเราด้วยก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่พ่อแม่กระทากิจการตามภาษาของตายายเราก็ออกไปบวชปฏิบัติธรรมแต่เรากลับมามาเห็นพ่อแม่อยู่ในสภาพเช่นนี้ เราก็อยู่ในสภาพเป็นพระเหมือนกันเราควรจะทําตนอย่างไร เ, เอาเอาเถอะเราจะทําดีที่สุดเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่จากนั้นก็เอาพ่อแม่ไปอยู่ในที่หลีกเล่น เ, เป็นที่กลีกเล่นจากนั้นลูกชายพระเลยบอกไปบินทบาทพอบินทบาตเสร็จแล้วก็ท่านก็ให้พ่อให้แม่กินก่อนมาทานก่อนพอทานก่อนแล้วก็ จากนั้นอาหารเหลือท่านก็มาทานในเมื่อท่านไปในงานหรือมีคนถวายผ้ามาท่านาาก็มาชักแล้วก็เอาสีมาย้อมให้มันสีเปลี่ยนจากผ้าผ้าเหลืองให้มันเป็นสีดงสีดำสีตะกงตะกา่างสุดแท้แต่ที่จะหาได้ก็มาให้พ่อแม่นุ่งใช้สอย หยุกยาที่ได้มาก็ตามมีตามเกิดคือดูแลพ่อแม่ตัวเองให้ดีที่สุดตามสภาพที่ตัวเองเป็นนักบวชเป็นพระทีนี้ร่างกายของท่านก็สูบผอมใครทั้งว่ททางจิตใจก็พระเนนทั้งหลายก็มองแบบกดดันทำไมพระ แมบวชเข้ามาแล้วยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ถ้าจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทําไมไม่สึกมาอยู่ในาศาสนาทําไมทําให้ภาพพดเสียทําไมเอ่ออันนีค้คือคือความกดดันของพระในยุคสมัยนะั้นทั้งอยากทั้งยมด้วยแต่ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ปิ๊นทพบาทมา ก, กาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ในอย่างที่ทํามาผลที่สุดเรื่องก่อน แดงขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆพระสงฆ์ก็บ้าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเพราะศพพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังดำรงทรงชีวิตอยู่ทรงทาธาตุทรงขันอยู่เราจะไปพูดอย่างนั้นมันไม่ได้ไม่ใช่ศาสนาของเรา เราต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าต้องถามพระพุทธเจ้าวิการกระทำเช่นนี้ผิดหรือถูกราสงทางหลายก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระองค์หนึ่งบวชเข้ามาแล้วเลี้ยงพ่อแม่ทำให้คนทั้งหลายมองแล้วก็พระทั้งหลายก็มองถ า, ากวายยักยักเลี้ยงพ่อแม่ทำไมไม่สึกไปเลี้ยงพ่อแม่ไอู้กทำไมแต่นี้องค์นี้เลย ท่านก็อยู่ท่านรักท่านรักในการเป็นสมณะของท่านคือรักในการเป็นนักบวชของท่านรักในการเพกบรรพชิตของท่านแต่ท่านก็เนี่ยบินธบมาเลี้ยงของใช้ต่างๆท่านก็ให้พ่อแม่ใช้ทิ่ที่จําเป็นอย่างท่านดูแลพ่อแม่ตัวท่านเองก็สุขผอมผิวพันธ์ เจาบอกเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกแต่ในใจของท่านเนี่ยท่านรักเคารพในการที่พ่อแม่ที่ท่านได้ลำบากอย่างนี้ก็เพราะเราเราให้ท่านลำบากเพราะเรานีหนีออกไปบวชเรากับพ่อแม่เป็นลูกชายคนเดียวนะทีนี้ก็พระสงฆ์ก็ไปกราบคูณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกพระองค์นั้นมาไปเรียกมา ก็เรียกมาท่านก็ถามว่าเธอเลี้ยงพ่อแม่จริงไหมพระองนั้นก็จริงพระเจ้าค่ะทําไมเพราะว่าข้าพระ อ, องค์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วเกิดความเคารพรับถือเลื่อมใสก็อยากจะบวชแต่พ่อแม่ก็ห้ามไม่จะบวชลูกไม่มีลูกคนเดียวต้องได้ดูแลพ่อแม่ก่อนดูกิจการของพ่อแม่ก่อนแต่ผมในใจผมอยากจะบวช ผมก็เลยขอลาพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่รู้วจะห้ามปรามยังไงท่านก็อนุญาตในเมื่ออนุญาตเสร็จแล้วผมก็บวชบวชเขก็ไปอยู่ในป่าดงพงไผ่ออกทุดงแต่พอมาหลายปีมาผมกลับมามาเห็นสภาพของพ่อแม่อยู่ในสภาพตกทุกข์ระหัสก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับผมก็ยังรักเคารพในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากับผมอุทิศตน ทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อนักโทษนักบวชยอมเป็นศักกยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับผมกระผมก็ได้บินทบาทมา เ, เห็นว่าพ่อแม่ลําบากกรผมก็ไปทํากระทบที่พักให้อยู่หลีกเล่นอยู่ตามลําพังกระผมก็ได้บินทบาตมาเลี้ยงพระเจ้าขา่าตลอดถึงผ้าหนุ่มห่มข้าพระ อ, องค์ก็ได้หามาให้ เจ้าข่าได้เปลี่ยนเป็นสีใหม่นะครับผมก็ได้ทําอย่างนี้จริงอย่างพระสงฆ์ที่มากราบทูลพระพุทธเจ้าทุกประการครับผมทั้ทงที่พระพุทธเจ้าท่านจะห้ามนะทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ถูกนะอย่างนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอ่าพระพุทธองค์บอกว่าสาธุสาธุสาธุาธนี่แหละอ่เป็นบุคคลตัวอย่างด เราเกิดมาในภพใดชาติใดที่ผ่านานมาในอดีตชาติของเราเราไม่เคยที่ทิ้งพ่อทิ้งแม่พบพ่อแม่เป็นผู้มีอุปกราระคุณสําหรับเราเราไม่เคยทิ้งสมัยเราเป็นนกแขกเต้านกแขกเราก็ยังคาบลวงมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เมื่อเราเป็นราชสีเราก็ยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ เราไม่เคยมองข้ามขนาดเราเป็นสัตว์ทีรฉันเรายังเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ไม่ต้องพูดถึงเราเป็นมนุษย์เลยเป็นเราเป็นมนุษย์เราไม่เคยปล่อยปะล่าเลยในเรื่องพักคุณของปิดามารดาภิกษุองค์นี้ทำถูกต้องแล้วตามอริยปปเพณีตามพุทธปปเพณีตามอริยปปเพณีเราเห็นด้วยอนุโมทนาสาธุไม่ผิดการทําอย่างนี้ถูกต้องแล้ว ถ้าว่าภิกษุใดก็ตามทําเป็นลักษณะอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายช่วยกันดูดูแลปิดามารดาของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือพระวินยยัยจะบัญญัติไปต่อมาที่นี่พระสงฆ์ก็บางทีก็เอาของเวลาได้มาเนเอาของบิณฑบาตาแจกญาติโยมญาติโยมโยนให้ญาติโยมแจ ก, กให้ญาติโยมตัวเองยังไม่ได้ฉัน ถ้าสงฆ์ก็ไปกราบทูลผู้ทวเจ้าผู้ทวเจ้าก็เรียกมาถามว่าเธอทําอย่างนั้นไม่ถูกกันอันนี้พระผูทวเจ้าห้ามนะถึงภิกษุใดก็ตามโยนอาหารให้สัตว์ก็ตามให้คนก็ตามอให้ใครก็ตามเว้นเสียตแต่ให้พ่อแม่ให้พ่อแม่ให้พระราชาถวายพระราชาให้โจรให้โจรผู้ร้ายไม่ผิดท่านหอกจากนั้นไป จะให้ใครก็ตามปรับอวบัตทุกกฎตอนนี้ก็เลยถามว่าทําไมให้พ่อแม่เออใช่ให้พ่อแมนะ่ถูกต้องแล้วละ่ะเพราะท่านยกตัวอย่างพระองค์นั้นแต่ให้พระราชานะพราะพุทธองค์บอกว่าพระราชาเป็นเจ้าของของแผ่นดินเมื่อพระเมื่อพระราชาเสด็จมาเราอาหารของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ทานเรายังไม่ได้ฉันเนี่ยมอบถวายพระราชาเลยก็ได้เพราะท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ผู้ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองให้พระคุณต่อพระพุทธศาสนาต่อตัวของเราเราถือว่าเป็นสูงสุดเปรียบเทียบกับผู้ปกครองทางฝ่ายบ้านเมืองและโจรผู้ร้ายละ่ะทําไมจึงให้เราโจรผู้ร้ายให้เวลาเขามาสู่สํานักของเรามาสู่บ้านของเราแล้วเขาหิวอาหารหรือว่าเขาต้องการเราเอาห้อยเอาห้หมดเลยก็ได้ เผื่อเขาจะไม่ได้มาพ้นมาข้ามาทุกมาตีมาลังแกเราเพราะเขาได้กินอาหารแล้วเขาก็ใจใจดีอันเขาจะไม่ลังแกเบียดเบียนเราเพราะนะั้นควรให้อาหารเขาให้เขากินอันนี้คือให้โจนผู้ร้ายนะให้เพื่อไม่ให้เป็นพิษเป็นภยัยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรอบครอบนะแต่คนอื่นนะห้ามอย่าไปให้โยนให้สัตว์ที่ร้ายฉันก็ห้ามให้คนผู้ใดก็ห้ามถ้าตัวเองยัง ไม่ได้ฉันก่อนถ้าเป็นของเศษของเมื่อเราฉันแล้วแบ่งฉันแล้วเราจะให้แก่ใครก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ฉันเอาอคนใส่บาตรของเราเราไปให้สัตวิฏิจารให้ใครก็ตามไม่ได้ปรับเอะบัติทุกกฎเพราะเหตุไรเพราะทำศรัทธาไทยให้เสือ่อมสมมติว่าคนจะทำบุญกับเราพอไปเห็นคนอื่นเราก็ให้คนอื่นซะไอ้คนที่เขาใส่บาตรมาเนะี่ยอุกท่านไม่ฉันของเรา ท่านเอาไปให้คนอื่นเราไม่ควรจะทําบุญกับท่านอีกต่อไปเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่ไม่เอาไปฉันเอาให้คนอื่นเร า, เาให้คนอื่นก็ได้ไม่จําเป็นให้ท่านเอาให้ก็ได้นี่แหละทําศรัทธาไทยให้เสื่อมอย่าทําอย่างนั้นภิกษุต้องเอามาแล้วเอามาฉันซะก่อนแล้วจึงแบ่งให้คนอื่นถ้าทำอย่างถ้าไม่ทําอย่างนั้นกลับอบัติทุกกฎ นี่ยเหตุผลของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านละเอียดนะอเพราะนั้นพวกเราพระใหม่ทั้งหลายให้ฟังไว้แต่หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านมีเมตตามากทีเวลาท่านเดินปินเาบาตไป่ท่านเห็นไก่แม่ไก่ลหลายตัวมันหากินมาเขียบท่านก็คงจะสงสารมาท่านก็คำคำค ำ, คำในบาดข้าวในบาดของท่านท่านก็โยนให้บางทีท่านยังถมน้ำลายเจ้าก่อนให้มันกระจายท่านก็โยนให้ แม่ไก่ได้ไกันกับลูกเกลี้ยงมากุกกุกกุกอลูกมันกับลงมากินอันนี้คือลงตาแต่บางตัวท่านกัแม่ไก่บางตัวท่านพอโยนให้แม่ไก่กินตัวเดียวไม่แบ่งให้ลกูกเอท่านเขาบอกแม่ไก่ตัวนี้ใช้ไม่ได้ไ ม, นะไม่รักลกูกท่านลงตาไม่รักลูกแม่ไก่ตัวนี้ใช้ไม่ได้มีแต่เขยนแก่ตัวกินข้าวท้องตัวเอง ไม่แบ่งให้ลูกกินแทเองท่านก็เดินผ่านไปแต่นี้ถ้าพร ะ, พระองค์อื่นทําอย่างท่านท่านดูด้อย่าทำนะพระนะเราทํามีความหมายของเําหรับเราเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรพวกท่านทั้งหลายทําอย่างนั้นไม่ได้เลยอย่าทําแต่ทําไมทําหลวงตาทําได้หลวงตาท่านมีเทคนิคของท่านท่านบ่าท่านท่านเอาเข้าไปเอามือล่วงเข้าไปในบาตรท่านคําคำรู้ในข้าวที่มันแข็ง อยู่ในบาตเข้าเหนียวมันแข็งแข็งข้าวข้าวจะอยู่หน้าทางหน้าหน้ามันแข็งท่านบอกว่าถึงยังไงเราก็ไม่ฉันมาถึงวัดเราก็ไม่ฉันเพราะมันข้าวแข็งเ อ, อีอันนั้นเราเราเราควรจะเอาออกไปแล้วเอาเอาให้พวกสัตว์กินซะมันสัตว์มันกินได้ออแต่ข้าวที่อัอนอ่อนที่ยดยันอื่นเ อ, อเราเอามาไว้ฉันนี่แหละเรารู้จักเลือกนะแต่พวกท่านจับโจนให้เลยไม่ได้ มันเข้าข่ายเกี่ยวกับวินัยปรับอบัดทุกกฎเนี่ยอันนี้แหละคือท่านรู้จักวิธีวิธีการเหมือนกับกฎหมายนะวินัยก็เหมือนกับกฎหมายแต่รู้จักวิธีเอี่ยแต่เพราะพระองค์เรีนยานะอย่าทํานะไม่ได้นะไม่ถูกนะแต่ท่านก็ทําแต่ลงตาเนี่ยเอท่านหวัดเนี่ยอท่านเห็นและสงสารเอท่านทํา ท่านมีเทคนิคของท่านอันนี้เราก็ต้องยกให้ท่านเพราะคุณธรรมในจิตใจของท่านสูงสงขนาดไหนเต็มเปลี่ยมไปด้วยเมตตาเหนือจากกฎทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละสิ่งเหล่านี้พวกพระทุกกงนะศึกษาเกี่ยวกับวินัยในหลักของพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับพวกเรา การปฏิบัติต่อพ่อแม่ควรจะทำยังไงเหมาะสมไม่ใช่ว่าได้เงินมาเท่าไหร่แต่ขนให้พ่อให้แม่สร้างฐานะหรูหราโออาอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะเราบวชมาไม่ใช่ว่ามาหาเงินมาหาทุนทรัพย์ในการบวชใช้ยูนิฟอร์มนี่หาเงินเพื่อให้พ่อแม่อย่างนั้นก็ไม่ถูกแต่ว่าเมื่อพ่อแม่ยากจนอย่างที่พระองค์นั้น่ะ เราก็เลี้ยงดูตามอัตภาพอย่างหลวงปู่มั่นนี่ที่หลวงพ่อเคยพูดในเอ็มพสหลวงปู่มั่นท่านพาแม่ของท่านมาบวชเป็นชีนั่นก็พาไปที่ต่างๆจากนั้นก็นมาแวะที่บ้านห้วยทรายแม่ของท่านตัวเล็กๆนะแม่หลวงปู่มั่นเวลาท่านบินธบาตกลับมาเนะี่ยแม่ของท่านมีมีทำเป็นเทิงเป็นกระต๊อบ อยู่ข้างๆที่ทางเดินบินธบาตของพระตัวพระไปอยู่ข้างในแม่ชีสองสามคนไม่ชีแก่แล้วกัมีโยมติดตามหลวงปู่มั่นบินธบาตกลับมาท่านจะเอาอาหารในบาทของท่านไปให้โยมบรรดาของท่านก่อนคือให้กินก่อนเอาให้โยมบรรดาท่านกินก่อนตอนเช้าทานอาหารก่อนเท่าทีท่านมองเห็นในบาทของท่านอันไหนที่โยมบรรดาที่ท่านจะทานได้ ท่านก็ไปแบ่งให้โยมมารดาท่านก่อนจากนั้นท่านกน็เดินก็ไปหาพระจากนั้นแบ่งพอแบ่งไปหาพระพอได้อาหารมาท่านก็แบ่งให้โยมมันดากลับมาอีกอันนั้นคือฉันรอบที่สองเนี่ยอันอรอำแพรกเนี่ยคืออาหารอันไหนที่โยมมันดาที่ท่านจะทานได้ฉันได้ท่านกมให้ก่อนเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้มองข้ามท่านไม่ได้มองเป็นอย่างอื่นสําหรับคุณบิดามารดาท่านยกสูงสง่ง แต่ท่านก็ไม่ได้หาเงินหาทองอย่างที่วันลุกงล้าโออาให้พอให้แม่จนล่ำรวยจนแข็งโลกของเขาเจนโลกเขาตาหนิว่าอู้เนี่ยที่พ่อแม่คนที่รวยขึ้นมาเนี่ยเพราะลูกชายไปวัวดแล้วขนของมาให้อันนั้นก็ทำให้เสียหายอีกเหมือนกันสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งไหนที่พอเหมาะถูกต้องตามหลักเหตุผลเป็นธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือ พวกเราทําอะไรเกินไปมันก็ไม่ได้ถ้าไม่มองพ่อแม่เกินไปก็ไม่ได้เนี่ยแหละอันนี้คือตัวอย่างอ ย, ย, ย่างยมญาของหลวงพ่อเนะ่ะยมญายมญานะท่านเห็นแล้วก็มาเล่าให้ฟังจากนั้นหลวงุยมญยาเห็นโท่านหลวงปู่มั่นเห็นไปอะไรญาท่านมั่นเลยเรียกว่าญาท่านญาท่านมั่นอยู่ว่าเคารบสูงสุดอญาท่านมั่นท่านแวะเขาไปทําไม โยมแม่ของท่านโยมญาแล้วก็ไปดงองไปมองมองดูโอ้ท่านเอาอาหารมาให้โยมแม่ของท่านตอนเช้าก่อนที่จะเลเดินเข้าไปฉันบินธบาะโยมญาก็เลยนึ่งข้าวแต่เช้าเอาข้าวร้อนๆเอาใสยกระติบมาแล้วก็เอาอาหารที่ผู้สูงอายุจะกินได้อาหารอ่อน เ, อเท่าที่มีในชนบท เป็นปิ่งป้าเป็นอะไรเนี่ยขนาดนั้นแ่ะออกมาให้ท่านให้โยมย่าของคุณแม่ของหลวงปู่มั่นทานซะก่อนเนี่ยพอต่อมาหลวงปู่ท่านก็เดินเข้าไปเออไม่ต้องเอามาอีกอะไรเน้อลูกเนะ้อแม่แดงเขาเอาอาหารมาให้แม่เนฉันแล้วทานแล้วแต่เช้าน่ะ ไม่ต้องเอามาให้แม่อีกได้แม่ของหลวงปู่มั่นท่านก็บอกหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็อพอใจลักษณะนั้นท่านก็เดินไปนี่แหละอันนี้คือโยมย่าหลวงพ่อท่านพูดถึ้ฝังท่านพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าท่านได้ดูแลโยมแม่ของหลวงปู่มั่นนี่คือคติตัวนี้ก็คือตรงที่ว่า หลวงปู่มั่นท่านไม่ได้มองข้ามโยมมันดาของท่านถึงท่านแม่แม่ของท่านเป็นแม่ชีท่านดูแลของท่านอย่างดีดีจุดความสามารถในในตัวของท่านที่ท่านเป็นลูกไม่ได้มองข้ามอันนี้พวกเราควรจะถือเป็นคติตัวอย่างมาตาปิตุปัฏฐานางังพุทธทารัทธสังก่าโหเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของท่าน เพราะท่านเลี้ยงดูเรามายากลำบากเหมือนกับเราเห็นเด็กพ่อแม่เขาเลี้ยงยากขนาดไหนพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็เช่นนั้นเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานพระเนรทุกองนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ก็เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราจะต้องต้องได้ศึกษาหลักในหลักของพระพุทธศาสนาเนะี่ยพระพุพทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมกับการเป็นอยู่ ของเราแล้วก็พร้อมการก็ให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติการบวชมาในพระพุทธศาสนาอย่าไปเห็นอย่างอื่นแล้พวพอเราเสียสละออกมาแล้วมาเพื่อเป็นนักพจนักบวชแล้วเป็นสาวกยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเป็นลูกตาสีตาสาจตมีตามาลูกใครก็ไม่รู้แต่พอเข้ามาบวชเป็น อยู่ในฟอร์มเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยมีศีสะโลนมีผ้ากาสาวพัดผ้าสีเหลืองเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าบวชตามหลักธรรมใดคืออุทิศตนบวชเอสาหาังอุทิศตนเป็นพระแล้วพระพุทธเจ้ารับไว้หมดว่าอันนี้คือศาสกยบุตรพุทธชินนรสอันนี้คือเป็นบุตรของเรา เ, เพราะนั้นพวกเราทำตนให้เป็นพระที่ดี สมกับเป็นบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าสิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ดีเพราะเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราทำตนไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีอันนี้แปลว่าลูกแวกแนวลูกแหวกแนวลูกไม่อยู่ในโอวาทลูกไม่อยู่ในทาคำสอนของพ่อแม่ที่ดี เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์มาพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อให้สับนึกตนเองว่าอยู่เสมออย่าลืมตัวนะพูดง่ายๆน ะ, นะรับพร อ, อนุโมทนาให้ก่อน